วงจรสั้นในทางปฏิบัติบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงกระบวนธรรมะตามสภาพความเป็นไปในชีวิตประจำวันชนิดที่จะมองเห็นและเข้าใจกันได้ง่ายๆในกรณีเช่นนี้กระบวนธรรมะฝ่ายก่อเกิดทุกข์หรือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาระจะเริ่มต้นที่การรับรู้ทางอายตนะทั้งหแล้วแล่นต่อไปทางข้างปลายตลอดสาย จนถึงชราโมรณะโซกภริเทวะทุกโทมนันตุปายาตละช่วงต้นของกระบวนธรรมะตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นมาไว้ในฐานให้เข้าใจว่ามีแฝงอยู่ด้วยพร้อมในตัวส่วนกระบวนธรรมะฝ่ายดับทุกข์หรือปฏิจจสมุปบาทยุโรธวาระก็จะตั้งต้นที่ดับตัณหาเป็นต้นไปคือตั้งต้นหลังจากรับรู้และเกิดเวทนาแล้ว ไม่ย้อนไปพูดถึงการดับอวิชชาเป็นต้นในช่วงแรกเลยดังจะเห็นได้จากบาลีที่ยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้แสดงสมุทยาวาระก่อนแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายเด็กนั้นเติบโตขึ้นอินทรีย์แก่กล้าเอิบอิ่มพร่างพร้อมด้วยการมาคุณห้าให้เขาปวนเปลอยด้วยรูปเสียงกลิ่นรส ผลทพภ์สิ่งสัมผัสกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจที่มีลักษณะ น, น่ารักเย้ายวนชวนกำหนัดชวนรักใคร่เด็กนั้นเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องผลทพภะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมติดในรูปจนถึงในธรรมารมที่มีลักษณะ น, น่ารัก ย่อมขัดใจในรูปจนถึงในธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม่น่ารักเด็กนั้นอยู่โดยปราศจากสติกำกับตัวและมีจิตด้อยคือจิตใจไม่เจริญเติบโตไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติคือภาวะเป็นอิสระปลอดพ้นของจิตใจปัญญาวิมุตติคือภาวะเป็นอิสระปลอดพ้นด้วยปัญญา อันเป็นที่ บ, บาปอกุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือเด็กนั้นประกอบความยินดียินร้ายเอาไว้อย่างนี้ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเขาย่อมตั้งหน้าเพลินพร่ำบ่นพร่ำชมสยบอยู่กับเวทนานั้นเมื่อเขาตั้งหน้าเพลินพร่ำบ่นพร่ำชมสยบอยู่กับเวทนานั้น นันทิคือความติดใกล้เหิมใจย่อมเกิดขึ้นนันทิในเวทนานั้นก็คืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขาเป็นปัจจัยก็มีพบเพราะพบเป็นปัจจัยก็มีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโซกับริเทวะทุกโทมนั์อุปาญาตก็เกิดขึ้นพร้อม ความอุทัยพร้อมแห่งกองทุกทั้งปวงนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายความอุทัยพร้อมแห่งทุกเป็นไฉไหนอาศัยตาและรูปจึงเกิดจากขวิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นเป็นภัสะ เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัญหาจึงมีภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์ทั้งด้านโสตะคานะชิวหากายมโนก็อย่างเดียวกันความในบาลีสองแห่งนี้จับเฉพาะองค์ธรรมหลัก เขียนเป็นกระบวนธรรมะให้ดูง่ายดังนี้ในที่นี้แต่ละคำมีลูกศรไปหากันนะครับซึ่งหมายถึงเป็นปัจจัยให้เกิดตามกันมาแบบแรกสลายยตนะผัสสะเวทนานันทิอุปาทานพบชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเท่ากับทุกขะสมุทยัย แบบที่สองสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาเท่ากับทุกขสมุทยัยทั้งสองแบบนี้โดยหลักการหรือสาระสำคัญก็อย่างเดียวกันคือเริ่มที่การรับรู้ทางอายตนะแต่แบบแรกแสดงกระบวนธรรมะต่อไปจนตลอดสายแบบที่สองแสดงถึงตัญหา ต่อจากนั้นคงเป็นอันให้รู้กันโดยในสแสดงนิโรธวาราต่อไปแห่งแรกว่าต่อมาเด็กนั้นได้ออกบวชศึกษาปฏิบัติธรรมประกอบด้วยศีลอินรียะสังวรและเจริญฌานแล้วเธอเห็นรูปด้วยตาจนถึงรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ติดพันในรูปจนถึงในธรรมารมณ์ ที่มีลักษณะ น, น่ารักไม่ขัดเคืองในรูปในเสียงจนถึงในธรรมารมที่มีลักษณะไม่น่ารักเธออยู่อย่างมีสติกำกับตัวมีจิตใจที่เจริญเติบโตกว้างขวางไม่มีประมาณแล้วรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่บาปอากุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือเธอผูละความยินดียินร้ายได้อย่างนี้แล้ว ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเธอย่อมไม่ตั้งหน้าเพลินไม่พร่ำบ่นพร่ำชมไม่สยบกับเวทนานั้นเมื่อเธอไม่ตั้งหน้าเพลินไม่พร่ำบ่นพร่ำชมไม่สยบกับเวทนานั้นนันทิได้ในเวทนาทั้งหลายย่อมดับเพราะความดับแห่งนันทิของเธออุปาทานก็ดับ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 ความอัสดงแห่งทุกข์เป็นไนอาศัยตาและรูปจึงเกิดจากขวิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหานั้นนั่นหละจางดับไปไม่เหลืออุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับ เพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามระโศกะปริเทวาทุกโทมานตุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่แลคือความอัศดงแห่งทุกข์ทั้งด้านโศตะจนถึงมโนก็อย่างเดียวกัน บาลีทั้งสองแห่งนี้เขียนเป็นกระบวนธรรมะให้ดูง่ายได้ดังนี้แบบแรกสลายตนะผัสสะเวทนานันทิดับอุปาทานดับภพบดับชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนต์อุปายาดดับเท่ากับทุกขนิโรธแบบที่สอง สลายตนะผสัสสะเวทนาตันหาแต่ตันหาดับอุปาทานดับภพบดับชาติดับจรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนต์อุปายาดดับเท่ากับทุกขนิโรธตามที่เขียนแสดงนี้แบบแรกแสดงใหม่ตลอดสายให้ตรงข้ามกับฝ่ายสมุทธยาวาะที่ได้แสดงไว้แล้ว ส่วนแบบที่สองแสดงต่อจากฝ่ายสมุททยาวาระนั้นไปเลยเพราะสมุททยาวาระแสดงไว้เพียงแค่ตันหาพอถึงตันหาก็หักกลับตรงข้ามให้เป็นฝ่ายดับไปจนตลอดสายแต่รวมความแล้วทั้งสองแบบนี้ไม่ต่างกันเลยหลักการใหญ่และสาระสำคัญคงเป็นอย่างเดียวกันคือแสดงกระบวนธรรมะฝ่ายดับหลังจากมีการรับรู้และเสวยเวทนาแล้ว โดยตัดตอนให้หยุดเพียงนั้นไม่ให้นันทิหรือตัณหาเกิดขึ้นได้วงจรก็ขาดทุกก็ไม่เกิดพึงสังเกตว่าคําว่านันทิในแบบที่หนึ่งพูดอย่างคร่าวๆก็ตรงกับตัณหาในแบบที่สองนั่นเองเป็นแต่ใช้ยักยืงไปเล็กน้อยให้เหมาะกันกับข้อความแวดล้อมที่เป็นกรณีเฉพาะของแบบที่หนึ่งนั้นเท่านั้น ข้อสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความในบาลีของแบบที่หนึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคำว่านันทิดับหมายความว่านันทิไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีนันทินั่นเองเมื่อนำความหมายนี้มาใช้แสดงการดับตัณหาในแบบที่สองก็จะได้สาระสำคัญว่าเมื่อรับดูแล้วเกิดเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหาตามกระบวนธรรมะแบบก่อเกิดทุกข์ แต่คราวนี้ตัดตอนเสียก่อนโดยปิดกั้นไม่ให้ตันหาเกิดขึ้นวงจรก็ขาดองค์ธรรมข้อต่อต่อไปเช่นอุปาทานเป็นต้นก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดทุกขนิโรธก็สำเร็จในกระบวนธรรมะแบบวงจรสั้นทั้งฝ่ายก่อเกิดทุกข์หรือฝ่ายสังสารวัตรและฝ่ายดับทุกข์หรือฝ่ายวิวัตนี้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 คือมีวิชารองเป็นพื้นอยู่จึงทําการรับรู้ชนิดที่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาเมื่อไม่มีอวิชชาสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่นำไปสู่ตัณหาดังนั้นที่ว่าตัณหาดับจึงบ่งถึงอวิชชาดับอยู่แล้วในตัวพูดอีกไยยะหนึ่งว่าเป็นการดับอวิชชาที่แสดงอย่างอ้อมโดยยกการดับตัณหาขึ้นชูเป็นตัวเด่น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 การตัดวงจรจึงมีสองอย่างคือตัดโดยตรงที่อวิชชาและตัดโดยอ้อมที่ตัณหาเมื่อวงจรขาดกระบวนธรรมะสังสารวัตรสิ้นสุดลงเข้าสู่วิวัตรก็จะบรรลุภาวะแห่งความดับทุกข์เป็นผู้มีใจต่อปัญหาชีวิตเป็นอยู่อย่างไร้โศกาะปริเทวะเป็นต้นมีความสุขที่แท้จริงเรียกว่า